จึงไม่วิสัชนาเล่าราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคาเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ประกอบด้วยปริชาพาสิตังเจตังพะควตาสมเด็จพระชินเนทราธิบดีมีพระพุทธดีกาตรัสไว้ว่าตถาคตนี้จะปิดบังความเป็นอาจารย์สั่งสอนทำหาไม่ได้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 อาศัยเป็นแท้แต่ส่วนทั้งสองคือมีสองแง่ไม่แปรผันอาชา น, นเตนะวาเป็นเพราะพระทถาคตเจ้าไม่ทรงทราบจิงไม่แก้หรือคุยหกะระณีนะวาหรือว่าเป็นเพราะพระบรมครูทรงทราบอยู่แต่ไม่วิสัชนาด้วยมีพระพุทธประสงค์จะปิดบังห่วงแหนพระธรรมนี่แหละ